เวลาเราประรุ ค, ความเพียรได้สักพักหนึ่งกจะมีปัญหาก็คือเรื่องของอุปสรรคภาษานักปฏิบัติท่านใช้คำว่ามานในเบื้องต้นก็หมายถึงตัวนิวรณ์ธรรมทั้้าตัวพอพัฒนาขึ้นไปหน่อย รูปล่างมันก็จะแต่งตัวประหลาดประาดมาอีกแบบหนึ่งจริงจริ ก, ก็เหมือนกันนั่นแหละเปลียนแต่ว่วามันหันเหลี่ยมมีข้างหนึ่งออกมาคือกิเลสนี่ก็มีแปดเหลี่ยมสิบสองมุมเหมือนกับธรรมะธรรมะก็เหมือนกันแต่มันเหลี่ยมไหนมาแล้วก็ต้องผูจนแลต้อ ง, งมมันหมดเหลี่ยมไม่มันมีเหลี่ยมถ้ามันมีเหลี่ยมอยู่เราไปชนมันก็เจ็บกิเลสก็เหมือนกัน ในห้าตัวเนี่ยทันเป็นอารมณ์ที่เราต้องรู้เท่าทันมันและออย่างน้อยก็รู้จักความหมายมันเอาไว้ก่อนเผื่อเวลาเจอปัญหาก็จะได้ไม่ท้อแท้ใจแล้วไม่ให้มันเอามาเป็นข้ออ้างในการลดน้อยถอยกำลังของสติปัญญาความเพียรความอุตสาหะวิริยะของเราเองในเบื้องต้น เวลาเราทำความเพียรก็ปกติก็คือความความเพียยนในหมายถึงกั น, กนบำเพ็ญเพียนทางจิตนะแต่ว่าเนื่องจากว่าจิตนี่มันติดอยู่กับกายถ้าแต่เอาจิตมาเนี่ยก็ามาไม่ได้นอกจากตายคนเรามีกายกับจิตอยู่ด้วยกันประกอบกันขึ้นที่เป็นสังขารนนหนึ่ง แล้วมันก็ทำให้เกิดเป็นทุกข์ทุกข์ก็อยู่ในกายกับจิตนี่แหละแ <Okay. S 1> ล้วฝึกเพื่อดับทุกข์ก็ดับที่กายกับจิตคือถอนความพอใจไม่พอใจในระหว่างกายระหว่างจิตภระส า, าพระท่านใช้คำว่าโลกนี้โลกนี้คือกายนี่โลกหน้าคือจิตนั่นในระหว่างโลกทั้งสองคือระหว่างกายระหว่างจิตนี่แหละ หรือเราไปยึดเอาโลกกายก็เป็นทุกข์อยู่กับโลกกายเป็นสังขารไปยึดกับโลกจิตก็เป็นโลกของใจติดกายก็เป็นทุกข์ติดอยู่กับความคิดจิตอยกับจิตก็เป็นความทุกข์เหมือนกันติดทั้งสองก็เป็นทุกข์เหมือนกันที่อยู่กลางๆระหว่างทั้งสองนี้ก็ยังเป็นทุกข์อยู่ท่านต้องถอนวิชาอภิชามานุสัยออกจากโลกทั้งสองนี้ให้ได้ พอเอาร่างกายเอาสังขารนี้มาปฏิบัติก็มีปัญหาคือมันก็จะเกิดความมีเวทนาทั้งหลายทั้งปวงที่ปรากฏเกิดขึ้นกับขันเราเนี่ยเราเรียกอุปสรรคของการปฏิบัติธรรมได้แก่ขันธมานมานคือขันขันห้าเราเนี่ย ตัวรูปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันมันเป็นอุปสรรคคือมันไม่ปกติบางคนบางคนรูปขันดีรูปขันหน้าตาสวยดีผิวพรรณดีผมเผ่าดีทั้งโลกอาจจะเอาไปหากินได้แต่ทางธรรมเนี่ยมันอาจจะเป็นอุปสรรคอ้าวผมดีๆสวยๆเนี่ยเวลามาปฏิบัติธรรมก็ เราก็หึงหวงห่วงทรงผมรูปผมเป็นอย่างโน้นอย่างนี้บางทีบางทีรูปขันอย่างตีนเราเนี่ยมันอาจจะบางเราไม่เคยเดินจุกหว่อมาเดินนี้มันบางเอาเดินไปแลเจ็บขาเจ็บเท้าเนี่ยรูปขันเนี่ยเป็นอุปสรรคเขาเรียกว่าขันธรรมานถ้าเรามโมเสียดายขันอย่ น, นี้อยู่ มันเสียดายเรือนี่จะต้องมาตกแต่งเรือี่ให้มันดีหรือรอวันที่เรือมันดีที่สุดแล้วค่อยมาวิ่งก็ไม่ได้แหละเพราะชีวิตนี่มันสั้นอายุจิตมันสั้นนิดเดียวร่างกายสังขารอีน้อยก็แตกระดับตายไปเลยไม่ได้ออกเดินทางสักทีถ้ารอจะให้ร่างกายนี้ดีเรือนี้ดีงั้นก็ไม่มากเท่าไหร่เอาพออยู่ได้พอเรือลำนี้มันไหลไปตามกระแส ความแก่ความเจ็บความตายมันสุดสมลงทุกวันดุกวันนั้นเรือหรือรูปกายนี้บางทีท่านก็เปรียบเหมือนต้นกล้วยยิ่งแก่้าไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่มีแกนไม่มีสารที่อยู่ข้างในนะรูปกายเราก็เหมือนกันเรารอจะให้มันดีก็ในเรือยเอาย า, เอ า, ยาเอา น, อนเอานี้มาใส่ มาบำรุงมารักษามากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเปื่อยยิ่งผุยิ่งพังไปเรื่อยๆนะมันไม่ได้ดีขึ้นมันมีแต่จะแก่ลงแก่ลงความเจ็บใครได้ป่วยก็โผล่ออกมาเรื่อยๆดังนั้นการทำวันนี้นจึงดีกว่าวันพรุ่งนี้นะทำเวลานี้ดีกว่าทำเวลาหน้าทำตอนนี้ดีกว่าทำตอนสายตอนเย็นนะ ท่านจึงสอนว่าให้ไม่ให้ผลัดวันประกันพรุ่งมัจจุราชที่มันมาเรื่อย ๆ, ๆใครจะรู้นะความตายเมพรุ่งนี้นะฮิโรซังคารันเตนฮิโรสังคา ร, รันะรรเตนมาห้าเสเนมัจจุนาเพราะการผลัดเพียนต่อมัจจุราชผู้มีเสนามากเสนามันเยอะมากนะมัจจุราชความเลิกล้มความตั้งใจเนะี่ะ คือมาจุฬาความหยุดการกระทําในระหว่างซึ่งเสียนามก็มีความเจ็บความไข้ความปวดความเมื่อยความขีดเกียดความเบื่อความหนายความวิตกกังวลตลอดจนสิ่งที่เรากล่าวถึงเนี่ยคือขันธมาในเป็นอุปสรรครูปเป็นยังไงอ่ะบางทีก็เจ็บไข้ได้ป่วยซะไม่ได้เอามาทําซะบางคนรูปดีรูปดีก็เป็นอุปสรรคนะมันไม่เคยทําแต่พอรูปไม่ดีเจ็บไข้ได้ป่วยมาเป็น อุปสรรคมันกันนะ่ะถ้าเราไปยึดมันถือมันในมันเดี๋ยวเจ็บใครได้ป่วยเดี๋ยวไม่สบายเมื่อวานเห็นโยมคนหนึ่งมาถวายอาหารเพลนแล้วเขาบอกเขาก็อยากปฏิบัติทำมันกันนะ่ะแต่ว่าไม่ค่อยสบายไม่สบายนานด้วยถามว่าทําอาชีพอะไรเขาไม่ได้ทําอะไรเป็นเมียหมอ เลยถามว่าเอาเมียหมอก็ป่วยเหมือนกั น, นกเนะาะน้องตางก็เลยถามว่าถ้าไม่ป่วยเนะ่ะเมียหมอเนะ่ะเขาก็เลยไม่รู้จะตอบว่ายัางไงเอาเมียหมอมันป่วยไม่เป็นหรือเมียผว้หน่วยการคือไม่ได้ถามให้มันผิดหรือให้มันถูกนะที่ถามนะถามคือถามให้คิดเฉยๆคือคิดก็คิค ด, คคดในแง่ของสริย ธ, ธรรมแต่ถ้าทิฏฐิมานะมันมีเนี่ย มันจะไม่คิดตามหลัของสัตยธรรมเอาถามได้ยังไงว่าคำถามาโง่ๆมีออกมาเอางแต่ท่านนึกย้อนมาข้างมองข้าในาคือท่านคงพูดไม่อยากให้เราประมาทในชีวิตหลืออะไรประมาณนะก็แล้วแต่ว่ามุมมองมันจะมองไงถ้าคนมีสติก็มองในสิ่งที่ที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นธรรมนะก็เลยลดคำถามลงให้มันเบาๆเขา เมหมอเนี่ยคือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ถือว่าเป็นธรรมชาติของชีวิตนะเพียงแต่ว่าโชคที่เราเป็นเมียหมอเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นตรงที่มันรู้เร็วมันเป็นโรคแล้วนะแล้วเขาก็รักษาเร็วเขาตื่นตัวเร็วมีความรู้เรื่องแบบนี้น่าจะโรคน่าจะไม่มีหรือมีก็ไม่น่าจะนานนิดหน่อยก็าหายแล้วเลยรประมาเขาว่ามันแก่มาก พออายุมากขึ้นก็จะเป็นอย่างเงี้ธรรมชาติแต่เขาก็จะมีความรู้แค่นั้นนะเขาจะไม่รู้อะไรมากกว่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าถ้ารู้ว่าโอ้มันแก่แล้วนะก็รีบปฏิบัตินะรีบศึกษานะรีบข้ามผลบ่วงแห่งวัฏสงสารไปนะมันก็จะดีอนะ่ะถ้าเขาคิดอย่างนี้แต่เขาโอ้มันแก่ก็ธรรมดาแหละแต่แก่ธรรมดาแต่เขาก็ยังเรียงว่านะีนะ่ะมานมันไม่ปล่อย มาไม่ไม่ปล่อยไม่ปล่อยเรามาเยอะแจะรูปประขันในชีวิตเราเลยรูปของคนอื่นก็นเหมือนกันแล้วก็ติดหนะึ่งขันเนี่ยติดธุระหน้าที่การงานติดโน่นติดนี่ทันที่เป็นเพียงขันหน้าเฉยเฉยรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห น, ะนึ่งบางทีเราก็ห่วงกัน ร, รับรู้เอา้าว ตอนนี้ข่าวอะไรดังอันนู้นอันนี้เราก็อยากรู้ทำไมาอยู่ที่นี่เขาปิดเครื่องมือสื่อสารในโน่นนี่เราก็อยากรู้นะบางคนเห็นนะเขาเอาถุงพลาสติกไปให้ใส่โทรศัพท์นะเขาเอาใส่โทรศัพท์แล้วเอาไม้ถวายลงตาอันนี้เอาใส่โทรศัพท์แล้วก็ใส่กระเป๋าไว้เหมือนเดิมนะถุงพลาสติกโอ้มันโง่งขนาดนั้นเนาะชีวิตเนี่ยมึดูไม่ออกนะเขาจดเบอร์โทรศัพท์ให้เอาใส่โทรศัพท์เอามาวางไว้นี่ มันก็เอายังใส่โทรศัพท์หอ่หอๆแล้วก็ยัดใส่ถักาตัวเองเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าเขากันฝนนะ่นน่ะ <c oughs> เขาไปขอโทรศัพท์คุณามาฝากพระไว้เอนะช่วยกันน่ะช่วยกันช่วยกันพัฒนาถ้าเขาจะไปบอกเอาโทรศัพท์มามันก็อะไรยอยู่เคือช่วยจิตมันอาจจะดีแหละบางคนโอ้ยรับรองอะ่ะไปโทรศัพท์หลอก ไม่ทัวเราปิดไว้แล้วปิดไว้แล้วมันปิดได้มันก็เปิดได้มันอยู่ใกล้ตัวมางทีมันก็ถามหาพอวันวันหนึ่งเนี่ยจิตเราแปรปรวนมากคิดอันหนึ่งวันต่อมาเดินจะกลมไปเดินจะกลมมามันท้อแท้มันคิดอีกแบบหนึ่งนะแล้ววันต่อมาเป็นอีกนะอารมณ์ดีอีกคิดอีกแบบแม่กูโทรไปชวนคนนั้นดีกว่าวะเนยมันก็คิดทำวะแหละอืม อางทีเดินจะกลมไปเดินจะกลมมาเอาเอารมคลุมฟ้าคลุ้ m ฝนโทรไปบอกแม่ๆหนูจะแพ่เมตตาให้นะแงเวลาเขาโทรกลับมานี่ผัวมึงไม่อยู่บ้านนะสงสัยจะออกไปแล้วนะโวยตายขอลาพระอาจารย์กลับดีกว่าวะแหน่เห็นไหมคือจะไปยุ่งมันจะไปรู้เรื่องอะไรทั้งโลกเลยเฉยกระมันนะ่ติ้งไปเลยเยายมันมาเป็นมานตัวขันธ์มารเนี่ย วางเอาไว้ไฟไหม้ฝนตกแดดออกไม่สนได้จะไปแล้วไปเมือง น, นิพพานก็ปล่อยตรงนั้นเอาไว้แล้วก็มาทำตัวนี้เห็นน้อยก็คือกำลังจะซักฟอกจิตตัวเองอยู่นะเขาจะฟักซักฟอ ก, กมันสกปรกมานานจิตเราเนี่ยซักยากลำบากซะเหลือเกินนะยิ่งเราผูกพันมากก็ สักลาบามันติดเยอะนั่นสำคัญนะตัวขันธมารที่เห็นชัดๆก็ ค, คือความเจ็บนี่แหละความปวดนั่งนานๆก็ปวดเอวนั่งสั่งจังหวก็ปวดเดินบางมากก็ข้างบนมันหนักเนาะข้างล่างมันขาสองขาเองค้าเอาไว้เนี่ยเดินไปมามันครึ่งตัวมันอยู่ข้างบนนี่มันจะลงน้ําหนักไปจนเดินวันหนึ่งนี่ป่านนี้มาต่อกันสามวันเลยถึงเชียงรายแล้วนะไอ้ที่เดินนะั่นแหะ บางคนก็ไม่ได้อะไรได้แต่คำนวณนี่งหนาทีห้าเก้าเส้นหนึ่งมีกี่เก้าหน่บวกลบคูณหารไปบวมาอา้าเส้นหนึ่งมีอยู่สิบสองเก้าสิบสองเก้าใช้เวลาครึ่งนาทีครึ่งนาทีได้หนึ่งรอบก็เป็นยี่บสี่เก้าวันหนึ่งกูเดินเท่าไหร่ บวโรคกูน่ะเราไปมาตกใจป้าเดินผ่านนี่แล้วกูนี่มันจะไม่เป็นโรคมัรูมาตอยแล้วเนี่ยอย่างมันคิดมากอี่ละทีเนี่ยปวดนั่นปวดตายตายตายมานั่งเอาดีกว่านั่งไปน้ะโอ้ยคอเอวก็ไม่ค่อยดีนอนเอ็นเอาดีกว่าท่านว่ายืนเดินนั่งนอนก็ทําได้ลับเนี่ยผลมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะอย่าไปกลัวมันเวลาปฏิบัติทำอย่าไปกลัวถ้ามันก็เจ็บบ้างแหละมีเก้าอี้ก็เอาไปนะ อไปนั่งบางคนไม่ได้เก้าอี้มาช้าบางทีบางคนหงุดหหิดมีคนขโมยเอาทางจงกรมอีกต่างหากเฮ้ยกูเดินตัวนี้ดีๆวนันนี้ดันคนนั้นออกไปงุ่นหิดวันทีผ่านไปถึงเจ้าภาพเขาไม่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ทุกหลังนะทางเจงกลมเนี่าจะมีนะโอ้ยเขาก็เงินน้อยไม่มีบริการขนาดนั้นวันต่อมาระแบกมาจากบ้าน ถ้าคุณจะไปในไปปฏิบัติธรรมเอากาอีไปทําไมเดินทางไปนิพพานนั่งพักไประหว่างทางมันมีหมดนะ่ะความคิดเนี่ยเป็นอุปสรรคเรียกว่าขันธมารเจ็บแค่เจ็บขาปวดเมื่อยยงยิ่งหนาวอย่างนี้ก็ยิ่งลําบากนะคุณตาเมื่คิดดูวันไหนที่ผ้าห่มผืนเดียวแล้วนอนแล้วมันไม่สนิทมันไม่สนิทแลมันก็มันตื่นอยู่เรื่อยนอนจะไม่อิ่ม ก็นึกถึงโยมโอ้โยมเป็นยังไงบางท้อคนนั้นคนนี้เผื่อไม่เผื่ออะไรหรอกเผื่อว่ามีพระผมเยอะมาถวายพระบ้างไม่ยากลําบากนะแล้วบางทีเราก็คิดถึงบ้านไม่อยากจากพระราชวังที่บ้านนะโอ้บ้านเราจะกลับไปในคงจะอบุ่ดีอากาศอย่างเงี้ยบางคน อยู่บ้านบอก น, นอนไม่ค่อยหลับนอนไม่ค่อยหลับแต่พอมาปฏิบัติธรรมที่นี่กับนอนหลับดีเยาว่าแต่ปฏิบัติธรรมเลยไม่แต่นั่งอาสนะนี่นั่งตอนไหนหลับตอนนั้นทุกคนนะแต่มาเคยบอกพวกเพศศักดิ์ที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดนะแล้วเขาขายยานะทุกคนขอซื้อยานอนหลับไปกินเนี่ยคิดนอนไม่หลับก็เลยบอกว่าเธอซื้อเอาบาะนี่ไปนั่งที่บ้านนะ พรว่าเธอมาปฏิบัติทำนั่งที่ไรเธอหลับทุกทีเวลาถามว่าไม่เคยนอนกลางวันมันไม่น่าจะเป็นที่นิสัยเธอลงตาดูแล้วน่าจะเป็นที่เบาะดีมากกว่า <c oughs> เอาขายให้เนี่ยเบาละเท่าไหร่ต้นทุนมันเท่าไหร่เอาไปนั่งที่บ้านซะหรือไม่เธอมประไว้ที่ร้านเธอนั่นแหละแล้วปาดขายที่ละชิ้นละชิ้นให้คนเอาไปลองนั่งคนไหนนอนไม่หลับไม่ต้องซื้อยากินเนะ่ะ ถ้คิดว่ามันเป็นเพราะเบาเพราะสถานที่นะแต่ความเป็นจริงก็เพราะจิตเราไม่เข้มแข็งกรรมจิตติกรรมจิตอุตุอาหารปัญหารกรรมอดีตกรรมก็มีนะปัจจุบันกรรมก็มีอดีตกรรมคือนิสัยแบบนั้นมา่ก่อนเคยนอนกลางวันบ้างเคยอะไรบ้างปัจจุบันกรรมก็คือ มันดีๆอยู่ดันไม่เดินเน่ะดันไปนั่งทามันก็หลับดิบางคนเดินก็ยังหลับดางทีคือนีิวรนี้ยมันจะหนักมากจิตเราไม่เคยสงบเมื่อก่อนจะคิดไปไกลพอให้มันสงบมันดับวูบลงไปเลยมันเลยขีดจำกัดมันคือเราบอกว่าจะเอาไว้ตรงศูนย์เนี่ยพอกดลงมากๆมันก็ไปบวกซะแต่พอหยุดหน่อยก็ดันไปลบซะ คือจะให้น้ำมันอยู่ในระดับพอดีเนี่ยมันไม่พอดีมันติดลบเป็นนะจุดเยือกแข็งผ่านไปนูน่นถ้ามั้นก็ร้อนไปเลยเนี่ยอันนี้เราไม่ให้มันร้อนไม่ให้มันเย็นแบบติดลบนะแต่ให้อยู่ตรงศูนย์ศูนศูนย์ศูนย์ซึ้งความว่างเปล่าไม่อยู่ตรงนั้นเรามาทํานี้ก็ามาทําหาจุดศูนย์ัน่นแหละเขาเรียกว่าศูนย์ยตาศูนย์ยตาถ้าเข้าตรงนั้นเขาเรียกว่าศูนย์ยะตวิหาร นิไกยหนึ่งของศาสนาเนื่อนิไก่สุญญตาของของมัทธยมิกก็เหมือนกันนะเป็นเรื่องของสุญญตาเขาจะพูดเยอะมากของท่านนาคาราชุนท่านอาศัยหาความศูนย์ความว่างว่างจากความไม่มีความกโกรธความโลภความหลงเข้ามาอยู่ในใจ หาศูนย์จุดศูนย์กลางศูนย์ความว่างอันนั้นให้เจอโดยที่อาศัยสติเป็นตัวคลำหาแต่อย่าโดดไปหาพอตกเข้าไปในความว่างแล้วจิตไม่มีกำลังออกมาได้ก็ติดความสงบแนวนะพนาแล้วเพราะจิตนั้นมีกำลังแต่เรากดดเข้าไปมันก็ติดทันทีหรือคาไปคามาก็าาาหาความว่างก็ไม่เจอเพราะยังไม่มีดวงตาดังนั้นสังเกตดูนะ อย่าไปทอแทใจบางทีก็เป็นหวัดเป็นไอบางคนเอายามานะั่นจะเป็นหมอนี่เตรียมยามาไว้กินไอ้นูไนไอันี่เจบ็บหลังเจบ็บเอวดื่มดื่มดื่ ม, มกินอยู่เลยคนประเภทที่ดื่มเคยขับรถนี่ดื่มริโพดื่มกระทิงดื่มอะไรดื่มควายใช่ไหมควายก็นั่นไงไอหัวเขาควายนัน่ไนไง อะไรนะนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่นะอะไรนั่นแหละเดีย๋ยวนี้มันดื่มควายดื่มกระทิงดื่มม้านีดื่มแรดมีแต่สัตว์เลือดลายทั้งนั้นนะยังไม่มีแต่เครื่องดื่มกาหมาทั้งนั้ น, นกังวลไม่ได้ขายไปประเทศลวาวเห็นปลากระป๋องยี่ห้อหนึ่งว่า ปากระป๋องตาไม่มานยืดพื้นต้นหนักก็ไปอีกไม่มานคือคนตั้งคันนะดันยืดพื้นเขาทำแบบแปลกๆทำให้คนตื่นตัวน่ะมันพูดกันบ่อยๆมันก็ต้องซื้อถึงแม้เป็นกระแสขึ้นมาซักระยะหนึ่งก็ได้ขายในหัวควายช้างมาก็กินปลาตามเรื่อง ทีถ้าสมมติว่าเราผ่านได้นะตัวเจ็บตัวปวดตัวเมื่อยตัวมาที่เป็นเป็นขันธมารเนี่ยต่อไปก็จะเป็นกิเลสสมารกิเลสสมาคือความยึดติดยึดติดนิดสัยเดิมๆนะอ่อก็าปฏิบัติดีอยู่ฉันทำได้ขยันได้เพลินได้สู้ได้แต่ก็มีปัญหาคือติดกินอย่างเงี้ยมันติดความอยาก อยากกินอยากดื่มอยากอะไรแต่ปฏิบัติได้ไม่รบกวนทั้งนั้นร่างกายสุขภาพแข็งแรงเดินได้สู้ได้เดินทางในเดินทางทางจิตไม่ใช่เดินทางทางกายอย่าคิดว่าขายยาวๆแล้วจะถึงนิพพานเร็วนะบางทีมันก็เดินเลยนิพพานไปขายาวเกินไปเขาสั้น คลองธรรมดากิเลสคือเป็นอย่างเหนียวว่ะมนอดคิดถึงเรื่องนั้นไม่ได้อดคิดถึงเรื่องนี้ไม่ได้เวลาทําความเพี่ยนอดคิดไม่ได้กําลังเดินไปอยู่คิดแล้วคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้มันสะสมไว้ในใจถอดออกยากมันเหนียวอ่ะ คือตัดแล้วมันก็เกิดอีกตัดแล้วก็เกิดอีกเหมือนอาหารการกินนั่นแหละดันั้นสังเกตดูว่าทำไงที่จะตัดใจได้ตัดใจนี่มันไม่เหมือนตัดทั้งนอกนะข้างนอกยังเห็นตัวเห็นตนนะแต่ตัดใจนี่มันตัดยากตัดบัวยังมีเยื่อใหญ่ตัดจิตตัดใจนี่มันยังมีกิเลสมีปัญหา ก็ตัดอยู่บ่อยๆตัดบ่อยๆถ้าไม่อยากให้มันมีเยื่อใหญ่ก็อาศัยไฟเป็นตัวตัดถ้าไฟตัวตัดไฟตะบะไฟตะบะก็คือการที่เรามาบําเพ็ญนี่แหละบําเพ็ญตะบะอันนี้คือบําเพ็ญตัวระลึกรู้สังเกตไหมวันแรกๆนะมันหลุดง่ายเอ้ย ม, มันหลุดยาก แต่พอสติมากขึ้นมากขึ้นเอาหลุดไน้ไวโดยเฉพาะเรื่องเล็กๆ น, น้อยๆเนี่ยตัดทิ้งได้ง่ายแต่เรื่องใหญ่ๆเรื่องติดอกติดใจเรื่องการเรื่องงานเรื่องนี่ดับยากในเมืองเชียงรายนันเนี่ยจากสกล น, นครมาเอา้าเดินจกกุกมทำความเพียรไปมันคิดถึงวัดไ้ยคิดถึง สถานที่ไม่คิดถึงบ้านถึงเรือนถึงนนทตรงนี้อ้ามันก็ว่างไม่มีอะไรเหมือนไม่มีชีวิตนี้เหมือนมันไม่มีอะไรผ่านมา ก, ก็ผ่านไปใช้สบายสบายเราก็เหมือนกันได้อยู่บ้านบางคนแปลกนะห่างบ้านไกลเท่าไหร่ก็ยิ่งคิดมากเท่า น, นั้นแต่บางคนไปอยู่ไกลๆบ้านแล้วมันจะได้ไม่คิดแต่คิดมันขามันก็ไปไม่ถึงก็พออยู่ได้ เหมือนกันเรามาปฏิบัติธรรมที่นี่ถ้าอยู่ที่บ้านโอ้อากาศดีขนาดนี้ไม่เหลือแล้วไปถูกมนม่ยาราเป่าเพลียงหมดงางหลังมดเลยนั่นก็สังเกต ด, ดูนะความเหนียวเหนืดมีไหมความห่วงหาอะไรเขาเรียกว่ากีเลสสมานไม่ติดความเวทนายความติบความปวดความเมื่อยร่างกายสังขารแต่ก็จะติดความ ความคิดความอยากความผูกพันในอดีตะคิดถึงคนน้นคิดถึงคนนี้เนี่ยปัญหาเป็นกิเลสสามัญบางทีติดความคิดดีทีเนี่ยไม่คิดความคิดอดีตนะแต่ความคิดดีๆที่เกิดขึ้นเวลาเดินไปก็อารมณ์ดีะอันนั้นดีอันนี้ดีใจมันดีๆถ้าเกิดความคิดเกิดโครงการอะโน่นนี่ขึ้นมาเรียกว่าเทวะปุตตะมาน มามาในรูปแบบของความคิดดีความคิดดีนึกถึงการทำบุญทำทานนึกถึงอะไรบางทีอยู่ดีๆก็มีคนโทรมาเราอยากโทรไปหาคนโน้นโทรไปหาคนนี้อยากบอกให้คนนั้นรู้อยากคนนี้อยากชวนคนนั้นคนนี้ปฏิบัติธรรมเป็นเทวปุตตะมนัน เวลาเขาโทรมาก็เหมือนกันนะมันเป็นความปราธทนเดีของคนข้างนอกด้วยจากเราด้วยที่มาบวกกันแล้วก็เกิดอารมณ์ใหม่ขึ้นมาเป็นอุปสรรค <c oughs> โทรมาว่าแม่ตายนะจบพอดีเลยต้องกลับบ้านไฟไม่บ้านนะเนี่ยเอ้าตายพอดีอะ่ะถ้าไฟไม่บ้านก็ไม่เป็นไรกำ <c oughs> ลัลงปฏิบัติธรรมอุทิศส่วนกุศลให้อยู่ ือคิดในทางดีไว้ก่อนอย่าให้มันหลุดจากฐานทำใจใมันนิ่งไว้คนนั้นว่าคนนี้ดุดาหรือบางทีเ ข, เ, ททเขาโทรเข้าโทรศัพท์เขาจะบอกเรื่องนั้นบอกเรื่องนี้เรื่องไม่ดีบ้างเรื่องดีบ้างให้กับเราว่าจะไปปฏิบัติธรรมนะอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นนี้อะไรอย่นนางเง้ยจริงๆเราฝึกจิตเราเ น, นี่ยเราฝึกจิตเราเองนะเราไม่ได้ว่าฝึกใครแล้วไม่ได้ทาเพื่อใคร เราอุทิศธรรมะนี้ต่อพระพุทธเจ้าทีนี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันล่ะพระพุทธเจ้าคือพุทธภาวะที่อยู่ในตัวเราเองใจเราเนี่ยเรายังให้มีตัวพุทธพุทโธในปรากฏเกิดขึ้นเพื่ออะไรเพื่อจะเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตในการดำเนินชีวิตไปข้างหน้า ถ้ามีสติสัมปญญาใจมันก็สบายนะชีวิตนี่ก็จะราบรื่นไงแต่ถ้าไม่มีพุทธภาวะเนี่ยชีวิตเรามันเหมือนเหมือนเดินอยู่ในที่มืดอันตรายมันไม่รู้มันไม่ตื่นจากกิเลสนะกิเลสเกิดขึ้นยังไงก็ชนไปเรืย่ยๆเรื่อยๆก็เจ็บบาดเจ็บจะมีปัญหาชีวิตนั้นชีวิตก็จะสุกสุขทุกทุกลุ่มหลุมดอนดอนนั้นเราก็มาแสวงหาตัวรู้ตัวตื่น ที่เรียกว่าชาคระธรรมธรรมที่ทำให้จิตมันตื่นมันรู้ตัวังนั้นการตัดโทรศัพท์ออกบ้างตัดโน่นตัดนี่ตัดกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนข้างนอกออกไปก็คือตัดเหตุปัจจัยที่จะเลื่อเฟือเกี่ยวกับตัวเทวปฏมานี่ยแหละแล้ค่อยมันเข้ามายุ่งกับชีวิตเรา ความคิดดีๆการกระทำดีๆอะไรอย่างงี้ยบทีเห็นอาหารดีๆอะไรดีๆอะไรที่มันดีๆเนี่ยจิตมันจะไปติดตรงนั้นเน่ยมันเป็นเทวะปุตตะมานไม่ใช่เทวดามาจากโน่นจากนี่นะใจเรานั่นแหละใจที่มันดีๆอ่ะเรียกทวะทีนี้ก็จะมีอันหนึ่งก็เป็นตัวที่สี่นี่คือตัวอภิสังขารมาน มาที่มาในรูปแบบของของสังขารแต่ไม่ใช่สังขารธรรมดาไม่ใช่ความปรุงแต่งธรรมดนานะที่เป็นอภิสังขารคือคนปฏิบัติธรรมถ้ผ่านตัวขันธรรมะตัวกิเลสมาร ต, ตัวเทวปุตตมารมาก็จะมาเจอตัวตัวอภิสังขารอภิสังขารนี่หมายถึงตัวตัววิปัสสนูปกิเลสที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะ ตั้งแต่เริ่มตัวมีปีติมีศรัทธาสูงมากมีปีติมากมีปัสสติมีสมาธิมีนิกันติมีปักไคฮะู่อุปทานบางทีสติมันชา้าเราก็ดีใจแล้วบางทีความเพียรนี่ก็โอ้มันง่ายมากเลยปักไคาะึ้น เดินไปเดินมาโอ้รู้สึกว่ามันมันใครมันดีรู้สึกมันมันมันพอดีเอาซะเลยเนี่ยความเพียรเนี่ยมันเป็นความเพียรที่พอดีกําหนดไม่กําหนดรู้สึกว่าประคองตัวได้ดีแล้วก็เผลอแล้วก็เผลอแล้วก็ประมาทฟั้งพลาดซะหรือมองใจใส่หลุดไปอีกหละทีเนี้ยไป็นอุปสรรคหรือบางทีก็คิดว่าตัวเองบรรุธรรมเพราะกายกับจิตมันเป็นหนึ่งเดียวแล้วมัน ความคิดความปรุงแต่งมันไม่มีเลยมันคล้องจองกันนะมันอย่างดีเลยกายกับใจเหมือ น, มนไม่ได้ควบคุมอะไรบางทีมันก็หลุดไปเอกเนี่ยแต่ในระดับคนที่ปฏิบัติทำใหม่ๆปัญหามันคือเวลารู้ลูก ร, ร, รู้นามขึ้นมาแล้วมันก็จะยึดติดในลูกในนามยึดติดในความรู้ของเราเองโอ้กูได้รู้ธรรมะแล้วนะเนี่ยก็เกิดความดีอกดีใจ มันอยากเทศอยากบอกอยากสอนตัวเนี้ยเป็นอภิสังขาร ม, มันบางที่เกิดสว่างแจ้งเกิดโอภาษ์นะสว่างขึ้นมาทางกายทั้งใจโลโง่งโปร่งเอา้าเมื่อวานเดินไปดูโยมโยมคนหนึ่งโอ้โหลงตาหนูกําลังฝืนคอามงวอยู่ก็สว่างโล่งแจ้งแล้วเบาขึ้นมาแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้ยตอนบ่ายเนี่เมื่อยหายไม่เห็นะ เนี่ยมันไปติดมันอย่างน้อยก็เอายังได้อารมณ์นะคนคือเวลาเราทําไปทํามาเวลาเหมือนเหมือนชีวิตเราเนี่ยเกิดมาเราแบกขันหน้แบกของหนาะแบกขันมาเรื่อยๆพอมาปฏิบัติรมเจริญสติพยายามทิ้งพยายามทิ้งทิ้งทิ้งทิ้ ง, งพยายามที่ระลึกรู้เอามือเนี่ยจิตเราเอามาจับความรู้สึกตัว เมื่อก่อนเราไปจับความคิดจับความยึดมั่นหรือมันจับอุปทานแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนแนวการดําเนินชีวิตพยายามที่จะทิ้งวันหนึ่งเกิดทิ้งได้อ่ทิ้งอุปาทานที่มันอยู่ในขันเราเนี่ยมันตกเข้ามาในใจเราทิ้งหอกทิ้งหงอกอยู่ๆมันหลุดพวออกไปมันก็จะเบาขึ้นมาน่นดีซึ่งเราไม่เคยเบามาตั้งแต่เกิดไม่เคยเบาเพราะเราไม่รู้เหมือนเหมือนคนอ้วนนะ่ะ ถ้ามันอยู่ๆแล้วมันอ้วนขึ้นมาเลยนี่มันจะรู้จักนะแต่ถ้ามันค่อยๆอ้วนเนี่ยมันจะไม่รู้นะไม่รู้ว่ามันน้าหนักมันเยอะขึ้นอย่างพวกเขาตั้งท้องเนี่ยมันโตขึ้นโตขึ้นเขาจะรู้สึกว่ามันหนักเพราะมันโตขึ้นไวมากเขียนอ้ยนตายท้องใหญ่แต่ถ้ามันมันโดยธรรมชาติมันค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นเป็นโรคอ้วนขึ้นธรรมดา เขาไม่รู้หรอกมันอ้วนยัชีวิตเราก็เหมือนกันตั้งแต่เกิดมาในสะสมความคิดสะสมอุปทานมาตั้งแต่เกิดสะสมมาก ส, สจนถึงวันนี้เนี่ยมันหนักมากแต่มาเจริญสติจะมาหัดทิ้งความคิดอันนี้ทิ้งอุปทานทิ้งความยึดติดทิ้งอารมณ์ทิ้งออกไปแต่ละน้อยแต่ละน้อยแต่ละน้อยมันมีจังหวะหนึ่งนะกําลังจะทิ้งมันฮึดสู้ตอนง่วงตอนเหงาตอนเบื่ออะไรก็ไม่รู้แหละอยู่ๆก็หลุดพัวลงไปนี่ จิตมันจะเกิดเบาขึ้นมาทันทีจริงๆนั่นแหละคือสภาพจิตแท้ๆมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีอะไรอะไอ้ที่มันแบกมาทั้งหลายทั้งปวงมันหนักแต่างทีแทนที่เขาจะรู้สึกตัวและประคองไว้บางทีก็หลงหลงเข้าไปในความเบาความสบายความสนุกความนี้เอาไปมาหนักอีกเหมือนเดิมหาอีกเหมือนเดิมมันไม่รู้ไปทางไหนนี่เป็นอุปทานเป็นอุปสรรค เป็นมารแบบหนึง่งโอภาษสว่างนอกสว่างในสว่างกายสว่า ง, ใ, า ง, ใ, างใจเนยจริงๆก็เป็นวิปัสนาแบบหนึ่งนะอเ น, นี่ยเป็นวิปัสนาแต่ถ้าหลงมันก็เป็นวิปัสณูมันข้าวเนี่ยเขาให้กินพอดีถ้ากินพอดีก็เป็นประโยชน์แต่ถ้ากินไม่พอดีก็เป็นโทษนะแม้แต่เหล้ายาเสพติดมอร์ฟินอะไรพวกนี้ ถ้าใช้เป็นอย่างพวกงการพวกหมออแพทย์ผู้ช้ก็เป็นประโยชน์คือเขารู้จักปริมาณรู้จักขนาดและรู้จักช่วงจังหวะของการใช้มันเหมาะสมกับโรคแต่ถ้าไม่รู้จักก็เป็นพิษเป็นพิษนะลุงตัยังเคยเห็นเขากินโคลิโดนน้าเชื่อมเลยโคลิดดนเขากินน้อยๆพวกบรร น, นอง ก, กินนิดเว้นยาถ่ายพยาธิโอ้ น้อยขนาดไหนน้องดึงจะพอดีวะกลัวนะเท่าพอดีแล้วพอดีปีหนึ่งมีพระกลุ่มหนึ่งอยู่กังลวงตามีที่สกลนครนะใครบ้างละ่ะคูบาจอยคูบาน้อยคูบาอะไรอาจารย์กสินวกเนี้ยตอนนั้นเขาไปจำพรรษายอยู่ด้วย มีพระองค์หนึ่งมาจากไต้หวันก็มาอยู่ด้วยมันไม้มีอะไรทําพระก็เดินยุกรมเรคงจะฟุ้งซ่านเยอะนะองค์หนึ่งก็นึกมาได้ว่าเฮ้ยพวกเราน่าจะถ่ายพระญาตกันนะเนี่ย น, นึกขึ้นมาได้ยังไงไม่รู้นะอาจารย์เกสินตัวพผอมๆเนี่ยพระญาติน่าจะเยอะค <c oughs> ูบาองค์นั้นก็มีอรงนี้ก็มีอ้าวแล้วเธอทำยังไง ใครจะไปซื้อยาถ่ายพรญาติมาเพราไม่ต้องผมอยู่ไต้หวันมาแตามันเป็นสินแก้วเดียวเท่านั้นแหละเนี่ยพวกเราเนี่ยคนละแก้วคนละแก้วว่ามันได้แล้วได้รับรองเนะพระญาติออามาเป็นม้วนเลยแหละก็เลยไปไม่รู้ให้ใครไปซื้อมาเป็นขวดเป็นขวดเอามาแล้วก็เทแบ่งกันคนละแก้วคนละแก้วเต็มแก้วเลยนะแต่คนล้ตาก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าเขา ไม่มีเหล้ากอกเขาก็พากันดื่มเบนซินนี่แหละตั้งวงกันกอกดื่มอ้ปากรวาเย็นจ้อยเย็นจ้อยลงไปนะดื่มแมเ่เบนซินยองไปดื่มดูเด้อคนละแก้วเอารถเกียมค่นไม่ต้องใส่แก๊สโซฮออะไรก็ได้รุ่นดิงแดงนั่นนะ่ะอาจันกะสินนี่เอามากกับเพื่อนเต็มแก้วเลยกอก กินปุ๊บแล้วมันมวนท้องมันเป็นอะไรไม่รู้นะพระกันเมานล้มันเบนซินทั้งวัดนะลุงตาเอตภะทำไมไม่มาทําวัดวัดบารีวะก็แปลกนะแต่ไา้ยันกสินเห็นที่พระหาเดินหักเอากล้วยต้นนั้นกล้วยตัวนี้ตอนบ่ายเลยนะมันมันอยู่ไม่ไหวสุขภาพท้องมันไม่ดีมันต้องไปหากินกล้วยขโมยกินกล้วยตามป่าเมื่อึ้นเอาเป็นอะไรกันนี่วะโอ้ยถ่ายประย่า มันถ่ายพระญาติหรือถ่ายพระไม่ไ ม, ไม่ไม่มีญาติเลยนะเนี่ยวะ่ะมันถ่ายแต่พระเนะี่ยองค์นั้นกัเป็นองค์นี้ก็เป็นแต่เจ้าของตําราเนี่ยคงจะเป็นอยู่แต่มันเฉยนะ่ะก็เฉยนะมันทําเป็นเฉยแต่องค์อื่นเนี่ยเป็นเอามากองค์นั้นเดี๋ยเป็นอย่างนั้นองค์นี้ก็เป็นอย่างนี้นแะล้วไปมาจะได้เข้าโรงพจาบาลไอ้วงเนี่ย น, นั้นมันอยู่ดีไม่ว่าดีความคิดดีๆเกิดขึ้นมาะแล้วไปจับเอาความคิดอันนั้น แล้วก็มาดื่มมาอะไรนี่จ้ะเนี่ยเขาไว้เติมรถยนต์นะเนี่ยอันนี้คนเนี่ยเขาเาข้าวเติมดันเอาน้ำมันเบนซินไปเติมเขาไม่รู้เป็นยังไงนะข้างในไส้แต่ก็ดีดีได้ความรู้แบบคือมันเกิดจากความปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเราไม่รู้เท่าทันมันสมัยหนึ่งไปบินธบาทัเอ๊ ลวงพ่อกลมด้วยโยมเขาเอาอาหารมาให้โยมก็เลื่อมใสเนาะเห็นคนขายกลอยกลอยนะรู้จักจกลอยนะมันก็เลืองเหลืองอยู่หรอกเขาใส่น้ำตาลใส่มะพร้าวขูดนะใส่มาให้มาถวายองค์นั่นก็เอาองค์นี่ก็เอ า, องอเอาลงตาก็ได้ถุงนึง คนนั้นก็2องถุงบางคนนั้นนี่ฉันข้าวแล้วก็ฉันของหวานเนาะใ้ถุงก็ตากกินกลอยหมดแหละถุงหนึ่งก็กินหมดบางองยังขอ2องถุงอีกทั้งหันแต่นี่จะว่ากลอยนี่มันล้างไม่ดีมันแช่น้ำไม่ดีกลอยมีสารที่ทำให้เมานะพอฉันเสร็จแล้วก็ประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามนี่แหละมีคนสุระบาง ค, คนสกลคนหลหลายคน เก็บประลมกันอยู่ในป่านะปรากฏว่าตัวเบา <ś c oughs> <c oughs> แต่ลงตางลุ้ท้องมันไม่ค่อยปกติแต่บางคนก็ท้องปกติก็ไม่มีปัญหานะคนกินสองถุงก็ยังเฉยอยู่นะเห็นแต่หลวงพ่อกลมเดินมาโอ้อาจารย์พระนะผมก็สิบรรลุท่ามงงวดดีละเพราะว่าเบาไปมดพระนะ เดินไปแล้วมันเบึ้งวังเบึ้งวังนะมันเมากรอยมันเหมือนอยู่ในอากาศนะมันเบามันโหวงเวียงยังไงไม่รู้นะนะแต่ <c oughs> พอโหวงเวียงหน่อยเดินยังไม่ถึงกุฏิเลยอาเชียนออกเลยโป๊ะวันดีได้ยินเสียงทางโน้นก็อาบทางนี้ก็อากเอา้านี่ผ่านกันหมดแล้วน้องพวกนี้วะอาเชียนกันทะลุเมฆไปหมดเลยนะ่ะบอก <c oughs> อีกคนหนึ่ง <c oughs> อีกคนหนึ่งเดินมา เอา้าจะให้กําหนดรู้ยังไงเนี่ยกําหนดรู้ทางปากกั้นไว้มันออกทางก้นนะ <c oughs> คืออาการมันเป็นเอามากนะกําหนดรู้ทางปากก็ยังมันงับไว้เนี่ยถ่ายเป็นว่าเล่นเลยจอบใครจอบมันขุดใครขุดมันแหละนั่งเฝ้าหลุมใครหลุมมันนะบรรลุทํากันวันนี้นะไม่รู้อะไรบรรลุนะ <c oughs> พอมาพิจนารณากันใหม่คิดไปคิดมาเอา้าองค์นั้นกับเป็นองค์นี้กับเป็นโอ้สงสัยพวกเราจะเมากรอยนะเนี่ย บางคนกับเบาเดินกับเบาเพงว่างเพมันเหมือนมันเหมือนมีปัสจุนมันเหมือนตัวเบาแต่จริงไม่ใช่มันมันเมาแบบไหนไม่รู้มันเหมือนกับการกินชุมเห็ดเทศเนี่ยชุมเห็ดเทศเนี่ยมันจะถ่ายจะจะถ่ายดีมากดอกเลือดเหลืองนะเวลาเราต้มเราเนึ่งแล้วมากินสักสักสองสามกระจุกเนี่ยเวลาถ่ายแล้วจะถ่ายดีมากแค่อยากกินยาถ่ายนะรู้ตาว่าไม่ต้องไป ดีท็อกหรอกใชอเนี่ยดีง่ายมากแล้วมันถ่ายปกติดีมากเลยแต่ถ่ายยุะถ่ายจะไม่เหนื่อยนะมันไม่เหนื่อยมันที่ดีอะชูมเมดเทนะเรืองเหลืองดอกเร่งเหลืองมันจะหวานๆนีๆ่หน่อยแตามาเคยกินหกดอกมันเป็นดอกไม้คนเอามาตั้งเอามาใส่บาตรนะนึกว่าผักก็กินธรรมดาเนะี่แหละแต่ว่ากินแล้วมันถ่ายก็เลยจำไว้ จำไหต่อวันต่อมากถ้าอยากถ่ายท้องก็คือเอาดอกมันมาแล้วก็ต้มแล้วก็กินกินกับกับข้าวธรรมดานี่นะอันนั้นก็เป็นหนึ่งอันโยมอยากรู้ว่ารสชาติมันดียังไงไปหากลอยมากินดูโอ้ดีที่วัดหัวเท่าคู่ถังเนี่ยหัวกลอยนะหัวใหญ่มาก อีสน่อยก็คงคนคนมันไม่มีอาหารการยินก็คงต้องวกไปหากลอยนะจะ ต, ต้องทาให้มันสุกหน่อยมันสาพอรู้สึกว่าเออมันอาเจียนพ่อกรอยนะหลังจากนั้นก็พากันนอนใครนอนมันไม่กลัวอับบัดนะทีนี้พ่อมีข้ออ้างแล้วที่นอนนี้พ่อมากรอยนะอือไม่ใช่โมไม่ใช่กิเลสนะเนี่ยไม่ใช่กิเลสเมากรอยโยมก็เหมือนกันนะ เวลาเดินที่กรมเดินไปเดินมาเวลามันง่วงจะจัดเบื่อหน่ายก็เวียนหัวบ้างเพ่งจ้องบ้างเอาไปมาก็ไปกินยาซะกินยาพาลากินนองกินเวลาลงตาไปตาเอาโยมทำไมหลับแล้วนี่อ้ยกินยาแก่ปวดหัวเนี่ยมันเริ่มถูกต้องตามหลักกฎหมายแล้วทีเนี้ปัญ <c oughs> หาข้ออ้างนั่นเขาว่าอย่า ก, กินยาและจะให้มีอะไรมาอยู่กับตัวเองเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาออกห่างไกลทั้งหมดเพราะว่ามันจะเป็นข้ออ้าง ก็อ้างให้นิวรนเข้ามาไม่มันมีอะไรเลยธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะชีวิตก็จะสบายสบายมันคืออะไรเกิดขึ้นก็ดูตามความจริงแล้วเราไม่ได้ไปสร้างเงื่อนไขอะไรเข้ามาใหม่นะรู้ตามความจริงอะไรเป็นมารไม่เป็นมารถ้าคนจิตอ่อนเนี่ยมารมันก็มาสมมา ก, กับความคิดนั่นแหละ แล้วมันก็ให้เราเนี่ยตีตาเอาว่าอันนั้นถูกนะอันนี้ถูกต้องนะอันนี้เป็นความจริงนะเป็นถูกจริงๆนะอันเนี้ยอันนั้นอะไรก็ยากลําบากนะสังเกตดูนะบางทีเวลามันโล่ง ม, มันปลงก็อย่าหนีจากความโล่งความโปลงมันโล่ก็อยู่กับปัจจุบันอย่าให้มันกลายเป็นอภิสังขารมาคือคนทั่วๆไปไม่มีนะมีแต่ความปรุงแต่งเฉยๆแต่อภิสังขารคือ คือตัวปรุงแต่งอย่างยิ่งคืออาการที่คนทั่วๆไปไม่มีจะมีเฉพาะคนทําวิปัสนาเนี่ยคือวิปัสนูปกิเลสเนี่ยอย่างอยากเทศอยากสอนเนี่ยได้าอารมณ์มาดีอย่างนั้นอย่าบอกคนนั้นอยากบอกคนนี้ก็เป็นอภิสังขารมาแต่คนไม่ปฏิบัติธรรมจะไม่มีจิตมันเฉยเป็นอุเบกขาที่ไม่เคยเห็นเนี่ย เราก็ดีใจเออบิมใจติดอารมณ์มันอันนี้ก็เป็นพี่สังขารมานันความโล่งความปโปร่งความเบาความสบายหรือบางทีเราเดินทะลุตัววทนาไปได้จิตมันเบามันสบายยิ้มอยู่คนเดียวบางทีเดินอยู่ก็ไม่หยุดไม่หย่อนทาความเพียนมากมากบางคนเดินทั้งมันไม่หยุดเลย ตั้งแ เ, เช้ารู้สึกมันๆ ม, มากกับการเดินแต่พอตอนเย็นไปนั่งขี้นี่ลุกไม่ได้เลยปวดขาไปหมด <c oughs> มีนะะละเวลาทําโอ้ยเด้งมฝาขึ้นปวดขาไปหมดแต่ตอนเดินก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอนั่งแล้วลุกไม่ได้ปวดเอามากนั่นก็ต้องดูความเพียรที่พอดีความเพียรที่มันพอดีว่าที่เดินไปเดินมาก็เห็น จิตมันก็นิ่งนิ่งมันเหมือนถูกตีแล้วมันไม่เวลาเราแจ้งแต่ละครั้งเนี่ยเกิดโอภาส์เกิดความสว่างกันแต่ละครั้งจิตมันเหมือนถูกถูกตีเหมือนงูถูกตีเนี่ยแล้วมันไม่กระดิกมันเฉยเฉยแต่มันรอประสานอยู่ลักษณะระยะหนึ่งพอมันประสานได้มันพุ่งมาทันทีนั่นทีเนี่ยประสานกระดูกหลังมันอะเหมือนกันอะความคิดเนี่ยมันรอประสานอยู่รอเงื่อนไขที่เราจะคิดมาเป็นน้ํายาประโลมเข้าไปตรงนั้นมันจะ ขึ้นมาใหม่มันจะยาไล่กว่าเดิมนะเป็นทิฏฐิมานะด้วยแต่ตอนมันรู้รูปรู้นามรู้กายรู้จิตใหม่ๆรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยสติเนี่ยมันจะนิ่งไปเลยมันจะเฉย ๆ, ๆทําไมมันไม่คิดเลยนะทําไมมันว่างจังทําไมมันปกติทําไมไม่กระหงกระหอขึ้นมาเนี่ยอกูบรรลุแล้วมั้งความคิดก็ไม่มีเลยนะเฉย ขนาดคิดหาคิดพามันคิดมันก็ยังไม่คิดคิดจบมันก็จบก็ภูมิใจแอา้าวือยามมาละเอาลงตาผมลากลับบ้านแล้วเป็นไงบรรลุแล้วเอาไว้ดีนะระวังดีๆนะไอตัวนี้มันเป็นอภิสังขารมาบางทีว่าเห็นสีเห็นแสงไงินโรนินีมาก็อีกแหละหรือบางทีก็นึกถึงอา้าวอย่างเมจีหรือใครกนเด้มา เอาตาหนูเคยเห็นนะที่เนี่ย mm. เห็นในที่ไหนก่อนมามันฝันฝันแล้วมันเห็นภาพบ้านประตูเป็นอย่างนั้นยิ้ขึ้นมาพอมาถึงนี่มันเป็นทั้งหมดเลยขึ้นมานะมันเหมือนเคยเห็นนะอันนี้ก็เป็ น, เ ป, นเป็นอภิสังขารแบบหนึง่งแล้วจิตเราก็จะไปข้องอ ย, อยู่กับการเห็นนั่นเออมนันแปลกเนาะเราก็สามารถเห็นโน่นเห็นนี่ได้บางคนถ้าติดกินมากๆนะสร้างจังหวะเดินที่กมดีเวลลนอนไปก็ มันเข้ามาในความฝันเป็นมัจจุมาลแบบหนึ่งนะฝันว่าเห็นนั้นนเห็นนั้นีมีอาหารนั้นได้กินนอพอตื่นเช้ามาบินตบาดตรงนี้เ่ยเห็นท้าดีตั้งอยู่บนโต๊ะเนาะโอโหกูฝันเห็นแล้วเมื่อคืนนี่มันมาพอดีเลยกูไม่ธรรมดานะเนี่ยไม่ธรรมดามืนอกี้เริ่มสำคัญบันหมายตัวตนของตัวเองแล้วมาทีกนนึกมันเป็นภาพนิมิตมาบางที นิมิตเมืที่เห็นพระพุทธเจ้านะถ้าเห็นพระเจ้า ก, ก็ดีอย่างว่าเนะมือที่เห็นหลวงพ่อเทียนเนี่ยเห็นครูบาอาจารย์ท่านแวบเข้ามาในใจแต่แวบพอมาแล้วจิตมันก็ไม่ค่อยออกข้างนอกหรอกเราจะภูมิใจว่าเออเรามีบุญวั ส, สนานะที่ได้เห็นท่านเนี่ยความเพียรก็จะดีขึ้นแต่วันทีถ้าหลงไปก็จะติดอารมณ์อีกแหละที่เนี่ยเมื่อถ้ไปเล่าให้ค น, นฟังคนนี้ฟังแล้วก็นึกถึงแต่เรื่องอันนี้อยู่ก็ไม่ได้ถ้าเห็นเป็นนิมิต ด, ดีๆก็ขยันทําซะ อย่าไปติดมันก็เลยลึกรู้ไปโอ้ดีใจเนาะวันนี้กราบไหว้ซักไหว้ครูบาอาจารย์มาโปรดละตั้งใจแล้ววันนี้เต็มที่แลลวนะท่านมาให้กำลังใจในภาพมีไม่มีก็แล้วไปเนะี่ยแต่ก็ขยันทมทีนี้ถ้าตั้งใจทมขยันทมติงกำลังใจปัญญามันก็เกิดได้คือมันมีทั้งดีและไม่ดีเพียงแต่ว่าอย่าไปยึดติดกับอะไรทั้งนั้นนะ มีโอภานมียานมีปีติมีปัสสติบางทีก็มีมีความรู้เดี๋ยวมันรู้นั่นรู้นี่ท่านพูดอันนั้นก็เข้าใจพูดนี้ก็เข้าใจกูนึกแล้วว่าต้องพูดอันนั้นเนี่ยแกโน่นเนี่ยนี้แล้วก็รู้สึกว่าเข้าข้างตัวเองมากๆากทีนี้แล้วก็ติดอารมณ์บางทีก็มันอย่างรู้อย่างรู้เนียธรรมะเป็นอย่างนั้นเออใช่เหมือนกับที่เราคิดไว้เนี่ยบางทีก็ไม่ซื่อเชื่อมันไม่ศรัทธา ไม่ยากปฏิบัติเพราะกูก็รู้แล้วเนี่ยไอตัวเนี่ยสําคัญ <c oughs> นั้นเวลาปฏิบัติทำเขาที่อย่างให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตัวเอาไวา้เวลามันติดอารมณ์พวกวิปัสสนูอภิสังขารมานเนี่ยมันจึงหลุดง่ายเวลาครูบาอาจารย์บอกหรืออะไรเย่างมันจะกลัวกลัวคือมันเกรง น, นั่นเองเกรงในคุณธรรมเวลาเราพูดเราคุยกัน <c oughs> แต่ถ้าเอ้ยกูก็รู้เียเ่ยอย่างไปสมมุติไปหมดละเี่ย อันนั้นก็สมมุตินี่พระก็สมมุติอโยมก็สมมุติอถ้าไมต้องกราบต้องไหว้กันนักหนาอะไรประมาณนั้นเฮ้ยก็ไปทำที่บ้านก็ได้เว้ยทำอ่ะอยู่ที่ใจหรอกเอาแล้วนะทีเนี้ยมันติดอารมณ์เข้ามาเอาไปมาก็ไม่รอดนะไอความรู้สึกแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นไอภิสังขารมานแบบหนึ่งพอมันรู้แบบนี้บางทีกลายเป็นทิฏฐิมันฮะเป็นตัณหาเป็นวิชา พอมีเหตุผลเยอะๆนี่มาทันทีเลยตัวเกียดคลานเนี่ยเราไม่มองเห็นอุปสรรคแห่งการเข้าถึงทำมากไปกว่าความเกียดคล้านเลยส่วนเนธะอจงลุกขึ้นเือจึงเดินจึงกเธอจงนั่งเธอประโยชน์อะไรตัวความหลับความเกียดค้านเธอจงบิดมันเสียตัวขี้เกียจนั่นแหละ เคยบิดมองไม่บิดขี้เกียจเวลามันง่วงเหงาเราบิดหูเวลามันขี้เกียจมันบิดตัวขี้เกียจนี่มันอยู่ตรงไหนตัวขี้เกียจนั่นแหละถ้าตัณหาเจอท่านก็จะบิดมันได้บิดมาได้มันร้องโอกอากโอกอากแล้วเราก็ชนะมันหละ้นียมันกลัวแล้วมันจะวิ่งหนีไปแต่บางคนขี้เกียจก็ไม่บิดมีแต่นิ่งเฉยดับไฟชนนี่ไม่ไหวอะไร ตัวสุดท้ายนะตัวสุดท้ายคือตัวมัจุมานมัจุมานตอนปฏิบัติไม่ค่อยชอบแต่อชอบตอนกินนะี่แหละกินแล้วก็นอนอยู่ใต้ผ้าห่มก็จะดีแต่ชีวิตมันไม่เป็นนึง่งอันชีวิตมันเกิดมามต้องทำการทำงานการกินนี่ก็อย่างว่านะเป็นเป็นน้ำมันล่อลื่นชีวิตแบบหนึง่งกินมากก็ไม่ดีกินน้อยก็ไม่ได้นะ การนอนก็เหมือนกันทําให้จิตสะสมตัวขี้เกียจตัวอ้างอีงตัวอ่นผลนั่นี่ปัญหน า, าก็จะเยอะเอะมากบางทีก็เบื่อหน่ายนะขี้เกียจว่ะโกรธมาเรื่องตึงตังกันมาเลิกดีกว่าปฏิบัติทำหนี่หยุดหลายหลายคนนั้นชอบมาคุยคำถาพวกหมอพวกอะไรปฏิบัติมานานไม่ก้าวหน้าคนอื่นก็บรุ ฉันไม่เห็นบรรลุสักทีเลยเลิกดีกว่าจะเลิกปฏิบัติเรราเนี่ย เ, เขาเรียกว่ามัจจุมานเขามาเยี่ยมแล้ะมัจจุเป็ว่าความตายตายจากมรรคตายจากการปฏิบัติยกเลิกเลิกเลยเลิกการศึกษาชีวิตเนี่ยนั่นแหละมัจจุมานตัวจริง่ะมัจจุเป็ว่าความกลัวกลัวทุกข์กลัวเจ็บ ก, ก, กลั ว, ล ว, วปวดกลัวเมื่อยกลัวทุกข์กลัวเจ็บกลัวปวดกลัวเมื่อนี่ ตัวเนี้ยเป็นมัดจุมัดจุมัดจุดเท ย, ยังสุทุตตังบุคคลนั้นจะข้ามพ้นบ่วงแห่งมัดจุที่คําหลวงพ่อพุทธทาสท่านไม่แปลให้มากนะท่านไม่แปละวะ่ามัดจุแปละว่าอะไรข้าม บ, บ่วงแห่งมัดจุตีข้ามเขาละเอาไว้คือแล้วแต่นะอันไหนที่มันกํากวมเนี่ยแปลแล้วมันจะพลาดมากเขาจะไม่แปลเขาจะทิ้งละกระยะเอาไว้ คือให้แปลว่าความตายก็ได้ความกลัวตายก็ได้อะไรก็ได้คือมันสามารถแปลดได้ทั้งทั้งสองทั้งวัตตะวิวัตะคือถ้าแปลแบบไหนเราไมันได้ประโยชน์กับการพัฒนาชีวิตพัฒนาอารมณ์กรมกรมฐานก็ใช้ได้นั่นคือวิสัยนักปราดเขาทามึงไปเง้สังเกตดูนะมีไหมเรา บางทีเบื่อหน่ายท้อแท้ท้อถอยกลัวเจ็บกลัวปวดกลัวเมื่อยกลัวแก่กลัวตายกลัวธุรกิจล้มเหลวกลัวนั่นกลัวนี้นั่นแหละเขาเรียกว่ามัจจุมาณนะพอมันเข้ามาแล้วก็คือมานตัวนี้บางทีเมื่อความตายบางทีกําลังจะบุกอยู่กําลังจะเข้าใจสัจธรรมเกิดเป็นโรคภัไข้เจ็บตายก่อนก็มีแต่ที่สําคัญคือมันเลิกล้มความตั้งใจนั่นแหละ มัจจุมาขึ้นเลิกหลมเลิกยาเศ้ายาเลยเศร้าหยุดไม่ทําต่อละเนีย่ยเขาเรียกว่ามัจจุมาลมันเข้ามาเยี่ยมแล้วก็หลุดไปจากมรรคผลนิพพานหยุดเลิกไปจากไม่สามารถที่จะเข้าถึงตัวสัจธรรมนะตัวนั้นมาอ้างตัวนี้มาอ้างมาเอาพ่อตายแม่ตายพี่ตายน้องตายตัวเองก็กลัวตายเนีย่ย อย่าติโกโติกาสามีภรรยาท่านอยู่กับปัจจุบันนะ่ะชีวิตนะ่ะดีที่สุดลนะแต่พวกนี้มันจะมาชอบเข้ามาอ้างแล้วมันก็กลายเป็นเหตุเป็นผลตัวเหตุผลพวกนี้ถ้ามันยึดจิตเราไปยึดเป็นอุปทานยึดมัน่นถือมันไปติดอย่มันก็เป็นอุปสรรคเขาเรียกว่าเป็นมานขัดขวางการปฏิบัติธรรมของเรา มันจะไปกลัวมันนะอันนี้มารที่เข้ามาจากข้างนอกบ้างข้างไหนบ้างไม่ใช่คนนั้นมาไม่ใช่คนนี้นะไม่ใช่มารเกิดจากคนนน้นจากดินฟ้าอากาศจากโน้นจากนี้ไม่ใช่แต่เป็นเรื่องอารมณ์ภายในเ น, นี่ยเทวปตมาลตัวหนึ่งเนะี่ยที่สําคัญคือความสะดวกสบายแต่ก่อนเราเคยอยู่กับความสะดวกสบายอจากอะไรก็เนรมิดเราชีวิตเราเหมือนเทวดานะ อยากกินอยากดื่มอยากไปอยากมาอยากพูดอยากใจอยากอะไรเนี่ยกดปุ่มทำอะไรก็แบบสบายสบายเราติดความสบายติดความสะดวกแต่พอมาปฏิบัติทำอันนั้นแหละเป็นอุปสรรคกับชีวิตเราให้ความสะดวกสบายเนระจะขัดขวางเพราะมาอยู่นี่ต้องกินเองล้างเองตื่นเองซักผ้าเองทำอะไรเองมดเพื่ออะไรเพื่อต้องให้การเห็นเพื่อให้เกิดการเห็นทุกข์นี้ ทุกที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราดูมันดิทุกสมุทัยนี่โลดมากทุกมันเป็นยังไงดูมันดิสักผ้าแต่ขณะเดียวกันก็ตัวรู้เราก็จะมีตัวดูแล้วก็มีเลืยลึกรู้ไปสักไปเลยลึกรู้ไปปัดกวาดไปเลือยลึกรู้ไปอยู่ที่บ้านอาจจะไม่เคยปัดกวาดซะทีหรือไม่เคยเก็บที่นอนหมอนนุ่งมาอยู่ที่นี่ก็เอาต้องเก็บต้องตรวนี้เพื่ออะไรที่เขาบอกว่าชีวิตเราก็จริงๆก็คือเป็นนี้เราก็อยู่กับความชีวิตจริงแต่ในขณะเดียว ก, กันก็มีสติ กำหนดรู้ไปด้วยซึ่งเราไม่อยากทํำมาเนี่ยตื่นมาเราอยากโลดแล่นไปในกระแสของสังสารวัตรของความคิดความปรุงแต่งเลยนั่นเราก็จะต้องเป็นอะไรไม่มีโอกาสได้เห็นทุกเนี่ยไม่มีโอกาสได้เห็นทุกเพราแล้วพอเราติดติดภาพของความเทวดาเทวดาสมมุติเทพคือชีวิตที่มันสะดวกสบายอ่ะ นั้นลองดูเนี่ลองตายจากความเป็นเทวดาแล้วมาเป็นคนธรรมดาคนธรรมดาเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันจะมีสุขมีทุกข์ปะปนเข้ า, ขากันไปมีดีมีไม่ดีคติของมนุษย์เนี่ยสามารถไปทั้งทางสวรรค์ก็ได้ไปนิพพานก็ได้ไปนรกก็ได้มันเป็นศูนย์กลางของภพภูมิทั้งหลายทั้งพวงคือถ้าคนไหนที่อยู่ป ก, ปกติปกติเนี่ยคนสามารถไปนิพพานได้ ไปสวรรค์ก็ได้ไปนรกไป น, ไปนู่นไปนี่ไปได้หมดนะีแต่ถ้าเทวดานะไม่มีเทวดาไปนิพพานไม่ได้เทวดาเนี่ยมันติดติดสุขคนไันติดสุขเขไม่สามารถที่ปฏิบัติธรรมคือไม่สามารถที่จะเห็นทุกข์ได้เพราะมันติดสุขไนงะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมนี้ให้มันเห็นทุกข์ไม่ให้มันติดสุขเราสามารถไปในสวรรค์ได้ ไปในภพของมนุษย์ได้ไปนิพพานได้ภาวะอดีตแต่ถ้าเป็นเปดเป็นสุรกายความกระหือกระหายความอะไรมากมายหลากหลายนะเหมือนสัตว์ดิเลฉานเนี่ยมีแต่สัญชาตญาณในความรู้สึกนึกคิดเนี่ยอันนี้ไม่สามารถที่ไปนิพพานได้นั้นเราต้องสลัดตัวสัญชาตญาณไอ้พวกนี้ออกไปจนกระทั่งว่ากลับมารู้สึกอยู่กับปัจจุบันประของตัวปัจจุบันนั่นแหละคือชีวิตของมนุษย์จะเริ่มจากนั้นไป แต่จะให้มันติดดีซะติดดีเป็นเทวดาถ้าติดนิ่งดิ่งไปก็เป็นพรหมซะพวกพรหมก็คือพวกสมาธิมากคนไหนปฏิบัติธรรมและสมาธิมันมากเกินเนี่ยไม่สามารถที่เขาเห็นสามารถเห็นทำรู้ทำได้นะ่ะอายุพรหมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหมืน่นหมืนปีคือมันเข้าไปในสมาธิแล้วมันมันเสียเวลาชีวิตเนี่ยเสียเวลาในการมาดูดูอ น, นิจจังดูทุกขังดูอนันตานมันเสียเวลาในการดูอันนี้ ดูจิตดูใจดูความคิดตัวอารมณ์ที่เป็นบอกเกิดของทุกข์ให้กับชีวิตเราเราไม่ได้มาดูตรงนี้แต่เราไปอยู่ความนิ่งนะซะคือปัญหาดงั้นเวลามันทุกข์เยอะๆก็ดีใจด้วยที่มันทุกข์เนี่ยดวนไปเวลามันง่วงก็ดีใจที่มันง่วงดีกว่าเข้าไปในง่วงแล้วไม่รู้โอ้่ว ง, งนะนี่วันนี้ง่วงห้าครั้งหนะสองครั้งสามครั้งเขาค่อยๆออกมาคนไหนง่วง จ, จัดๆเมื่อวานนี้วันนี้จะดีนะคนไหนเมื่อวานนี้ดีๆแล้ววันนี้ก็จะดี เหมือนกับฝันนั่นแหละเมื่อคืนเป็นไงฝันร้ายกลายเป็นดีและพวกที่ฝันดีแหละฝันดีก็จะดีก็มีแต่ทีมีแต่ ด, แตดีแต่คิดดีๆมันก็ดีทั้งหมดนะถ้าคิดไม่ดีมันก็ไม่ดีอย่างว่าหละมาเนิ่งๆดูเนาะป้าตุนี่ก็มีดินไม่เยอะเท่าไหร่ดินเนี่ย อ, อ้อมๆไปดินนิดน้อย คนอื่นเขาก็จะมีดินมากกว่าประตูอีกได้เขามี 100, 100, 000, 000, ร้อยๆไร่พันไร่บางคนเนี่ยได้ถามว่าเขาสามารถสร้างประโยชน์เหมือนประตุกับครอบครัวเขาสร้างได้ไหมประโยชน์ให้คนพ้นทุกเนี่ยประโยชน์ในการเอื้อเฟื้อต่อขนคนอันนี้ เ, นเขาเรียกว่าชีวิตพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็คือ พยายามช่วยเหลือคนอื่นที่เขาหลงทางในการดำเนินชีวิตนะพัฒนาชีวิตจิตใจเนี่ยเราก็มีอยู่ประมาณสักเก้าไล่สิบไร่ประมาณนั้นมั้งเล้เนี่ยแต่ลวงตามมาอบรมที่นี่ก็สามครั้งก่อนหน้านั้นก็ทราบว่าใช้พื้นที่ในการช่วยเหลือคนมามากมายหลากหลายอยู่ในรูปแบบการปฏิบัติหลากหลายวิธีช่วยกัน มานนึกดูเอา้ามันมันอยู่ที่ไหนเนียไม่ได้อยู่ที่ดินเยอะไม่ได้อยู่ที่เงินเยอะนะบางคนอาจจะมีหลายลอยล้านนะแต่ก็ไม่แน่นะปัจตุบันี้อาจจะหลายลอยล้านอยู่แต่แต่ก็คงไม่เยอะหรอกเพราะบ่นอยู่เรื่อยห้วยไม่มีเงินอะไรประมาณนะ่อนะัะเงินไปอยู่ไหนเงินอยู่กับะเ <c oughs> งินไปอยู่ไหนเงินอยู่กับผัวไรเไป่แน่ชีวนะิตเน่ผไเย่น่กัวเินน่กัะเน่เกะน่ะ ก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมธนาอยู่คนอื่นจะเงินเยอะกว่านี้นะแล้วก็ดินอาจจะเยอะกว่านี้แต่เขาก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเห็นหลายๆคนมแต่จะเอาเงินเอาเงินเอาเงินนะทำธุรกิจหน้าที่การงานอะไรมีแจะเอาเงินเอาเงินแต่ไม่ได้เงินเนี่ยไม่ได้ช่วยให้คนไปสู่มรรคผลนิพพานไม่ได้ขนคนได้พ้นทุกข์เลยมันดีเนี่บางคนเป็นร้อยล้านพันล้านมีเงิ น, ม, งนมีทองมากมายหลากหลาย แต่ถามว่าเข า, เาทําประโยชน์กื้กูลต่อคนไหมแค่แค่นั้นเขาก็คิดว่าเอามาพัฒนาลูกหลานเขาก็ไม่พอละเขามีลูกคนหนึ่งสองคนสามคนเนี่ยเงินแค่นั้นเขายังคิดว่าเขายังไม่พอเขายังตะเกียกตะกายขวนขวายอันนะั้นอันนี้จึงถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีพอสมควร น, นะก็ลงมือพนาไว้มีความตั้งใจที่จะทำํำพยายามรักษากุศลลจิตตัวพิเศษนี้ไปนั่นน ช่วยคนไปได้หลายคนเกียรผลทางสังคมแต่ละคนคงจะไม่เหมือนกันบางคนก็ยุ่งยากเรื่องนั้นยุ่งยากเรื่องนี้ต้องไปทามานูน่นต้องไปทํามานี่อะไรท่านคนที่ทํามานี่คื อ, อความความพร้อมทางด้านร่างกายเนี่ยก็คงไม่เท่าไหร่แต่ความพร้อมทางด้านจิตใจมีคุณธรรมถ้าเห็นทำบ้างแล้วเนี่ยมันจะอยากทําเรื่องนี้คนนะมันไม่คิดอยากทําเรื่องอื่นนะ ที่สำคัญคุณคุณประตุนี่แกก็เสร็จแกไปสองรายแล้วผัวหนึ่งลูกหนึ่งสิ่งที่แกสิ่งที่จะได้มากที่สุดคือประตุนะงานอันี้สามีเขาเขาปฏิบัติทมแทนที่เขาจะนอนตีรังกายอยู่บ้านอยู่ได้เขามีต้องพูดสับทุ่งสนุะ่นะอันนี้ถ้าสับํำแกก็รู้นึงเขามีสุนัขอยู่ แก เ, เขาไปเก็บแนละ้วไปจ้างคนไปเลี้ยงทางไหนไม่รู้นะแต่ก่อนก็าจะครุขเขาอยู่ตรงนั้น น, ะนี่ก็มีลูกชายลูกชายก็มาบก็ขยันกันเข็งดีนะลูอารมณ์ดีได้ลูกชายไปฏิบัดรรมก็ขยันดีนะถ้าก็เห็นขายขยันขยว่าชีวิตนะฝึกหัดบ้างถ้ามีสติเข้าไปสลาย ตัวอัตตาภายในมันก็จะเบาบางลงการดำเนินชีวิตนี่กนจะไม่หลงมากให้มันบางบางเบาเบาจะมีก็เบาขึ้นนะไปปฏิบัติธรรมที่วัดบ้างได้ห้าวันหกวันนี่แหละเขาบอไปวัดสวมนั้แต่ทำไมยึดโทรศัพท์ไปงบหิดปวดหัวมาขวโทรศัพท์ไม่ได้เห อืมกจะขโมยพระพุทธรูปมนันอ้าวฝรั่งจะขโมยพระพุทธรูปกูหรอเด้อว่า <c oughs> <c oughs> แกว่าคือสิ่งที่เรากราบนะสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตที่เขามองดูว่าอะไรเราเขาลบมากพระพุทธรูปเขาไม่รู้ว่าเรารู้สมมติเราจะทิ้งพระพุทธรูปนั้นอยู่แล้วเขาจะขโมยเอาพระพุทธรูปนี่เราไปทิ้งหรือขครเซ่นวะ ไม่ได้สนนะเขาก็คิดดีนะคิดแต่คุยกับลุงตาเขาไม่รู้หรอกเพราะเขาพูดเยอรมันเนาะคุยกับประตูะมันก็มีนะเวลามันเซ็งขึ้นมาเนี่ยขอกระเป๋าตังค์หน่อยขอโทรศัพท์หน่อยขอกุญแจรถหน่อยไปหาซื้อยา ก, กินในเมืองมันทราบทีหลังว่าถ้ากูออกไปแล้ากูจะไปนอนโรงแรมเลยกูจะไม่เอาแผนมันสูงมากฝรั่งนี่ว่ะ ยไปนอนโรงแรมเกเซง็งเก๊เบื่อวันแต่ลุตาพาอยู่พาไปพามาเอาเก๊ก็เกิดปีตินะน้าตาไหลนะแน่ก็ยังอยู่ได้ลุงตาก็เสียงถ้าสร้า ง, งกูก็สร้างว่าอะดีได้แล้วบ่าวาถ้าถ้าไม่ให้ตัวเราสัไม่ให้ไม่ให้ขึ้นไปปฏิบัติทําที่บ้านนะเลยม่ายันให้แต่นี้ก็อยว่าอะไรไป อ, อยู่ก็อยู่ได้ฝนตกก็จะเดินดีนะสังเกต น, นะเวลา เขาทำความเปลี่ยนลงตาเดินไปดูเขาเดินดีอย่างนะที่บ้านเขานะั่นนะ่ะที่ระเบียงเนะ่ะเขาไม่ได้นอนนะคุณฝรั่งเลยเขตั้งใจที่นั่นสันธรรมก็นโมทนาอยู่คือไม่ได้หมายว่าแต่ก่อนมาก็หวาดเสียว อ, อยู่มีแต่ประตูคนเดียวไม่มือ่อใดพวัวฝรั่งแล้วจะให้เขาหน่อยอยนดีเปิดด่แต่ตอนนี้เขาก็อยู่ด้วยดูใจก็ปฏิบัติธรรมด้วยก็คือได้อา น, นิสงส์แล้วเนี่ย แต่ก ว, กว่าจะมาถึงวันนี้ป้าตุกก็คงสะสมบรารมีคือคงมาหลายรอบแล้วน่ะทํามันเนี่ยกว่าจะกล่อมเขาได้กว่าจะเขาจปฏิบัติทําได้ก็คือปฏิบัติทําก็ไม่มีอะไรไม่มีใครได้ใครเสียมีแต่ประโยชน์กับชีวิตเราอัตตาประโยชน์ปรมัตถประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นประโยช น, ะยช น, ะยชนอะไรก็ทำน่ะคนเรานี่เกิดมาปัญหาคือหลงชีวิตนี่ปฏิบัติทําเพื่อให้มันหลง ให้มันคลายออกคลายออกหลงรูปหลงนามหลงกายหลงใจหลงความคิดหลงความพรงแต่งเลยให้มันถอนหน้าตาตัวตนพวกนี้ออกอันนี้คนสวนนะเนี่ยคนสวนประตูกประตูก็ไปเอามาอยู่ทางโน้นโดยแม่สลองหละมีสวนอยู่อันหนึ่งคนสวนแต่ว่า มาอบรมแต่ละครั้งก็เกกรเชิญคนนั่นคนนี้ชวนคนนั่นเสียงหวานๆเกยจะโทรชวนนอกประจุชวนคนนั้นคนนี้มาปฏิบัติธรรมอย่าว่าถ้าไม่มีใครแกย์เอาเฉพาะชมาสมาชิกเนี่ยสมาจิกเอาคนสวนบางคนนั่นคนนี้บ้างอะไรยังไงนี่คนเฝ้าสวนนี่ก็มีนะเอาเมียมาเข้านั่นเนี่ยก็คือมาอบรมครอบครัวเขาาทีก็จะได้ประโยชน์ก็ทางย้ดก็คือพูดยังไงคือเกไม่มีเสียไม่มีเสีย มิจะได้กับได้เราก็เป็นผลประโยชน์คือถ้าเขาเอื้อเฟื้อเราพวกเราเข้ามาปฏิบัติทําด้วยประตูแกก็ได้กําไรกําไรตรงที่ทุนแกก็คื อ, อครอบครัวแกที่เราเข้ามาจากข้างนอกเงินได้กำไรอ่ะคนนั้นมาปฏิบัติทุงนีิมัตก็ได้แนวทางในการไปเป็นกนาจิตและชีวิตก็ขออนุโมทนานะในกุศลและจิตนาของประตูเนี่ยเมื่อวานนี้ใครถามประตูเก็บเงินคนละเท่าไหร่นี่โอ้ยป้าปฏิเก็บดอก เพื่อนไหยกะเอาเพื่นพ่อไทยกะเสียเอานะ <c oughs> อเพื่อนก็ไม่เป็นไรก็นะคือสบายๆนะก็ ค, คือจัดปฏิบททัติธรรมคือปฏิบททัติธรรมชวนเข้ามาปฏิบททัตนะิธรรมก็ธรรมดาว่าเอกเอข้าวก็เยอะอยู่ยังถามเลยหลวงตาเวลาไปเชียงใหม่เอาของที่เหลือจากการมาทําครัวที่นี่ที่คนออกมาให้เนี่ยเอาไปด้วยเด้อเนี่ยยังมีซื้อเหลือไม่ได้ซื้อคนนั้นเอาให้บางคนนี้เอาให้บ้างนะ คนบริจาคบ้างบางทีก็ไปซื้อมาเพิ่มเติมบ้างอนี่คนช่วยทำกลัวทำอะไรก็อ้าวช่วยกันดีนหะถ้าทำความดีนี่เราไม่ทุกข์แล้วนี่เราไม่ต้องห่วงหรอกใครจะช่วยไม่ช่วยเ mm hmm. ทวดาเขาเห็นเองนะ่หเะอา้าถวายทานพร้อมกันมวธนานะ